บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องของขันได้แก่รูปเวทนาสัญญามาโดยตำดับจุดที่ทรงสอนเฉพาะในรรมหาสติปัฏฐานสูตร ในขันท่าภะนั้นเล่นการศึกษาเพียงสามตอนคือลักษณะของขันนั้นๆกับการเกิดของขันนั้นนั้นและการดับไปของขันนั้นนั้นเพื่อต้องการจะให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่จิตใจของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่น จนกลายเป็นมองสิ่งเหล่านี้ลักษณะที่วิปลาสคลาดคเคลื่อนจากความเป็นจริงการมองเห็นที่วิปลาสคลาดคเคลื่อนนั้นก็มองได้ทุกจุดที่ท่านจาแนกออกไปเป็นสีสีลักษณะด้วยกันจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปแม้ในเรื่องเดียวกัน คืยการมองสิ่งที่ไม่เที่ยงไวเทียงเพราะการศึกษาดูรูปก็ดีเวทนาก็าดีสัญญาก็าดีเป็นต้นที่ศึกษามาความจริงที่แท้จริงของรูปเวทนาสัญญาก็จะปรากฏแก่ใจว่าเติมทีที่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนั้น แต่เมื่อมองด้วยสติสมัมชัญญะความเพียรที่ต่อเนื่องเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการที่มันเลื่อนไหลไปตามเหตุตามปัจจัยของมาันมีการปรากฏขึ้นแล้วก็เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้เปลี่ยนแปลงลงก็ได้ แต่ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งเลยพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องดับไปแต่การดับนั้นจะดับเป็นขณะขณะจะดับในช่วงที่ยาวขึ้นแล้วก็ดับหมดในสุดก็ก่อตัวขึ้นใหม่มุนวนกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวัฏจกักรทการศึกษาดันบึงสังเกตว่า บางครั้งก็เอาในช่วงที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไรแต่ว่าให้มองเห็นในจุดนี้ให้ได้ซสียก่อนแล้วก็ค่อยเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นโดยลำดับเพราะว่าจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเชิงรูปกายซึ่งจะสวยงามประณีตอย่างไรก็ตาม เป็นที่เชื่อชมพอใจของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้รูปที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็เสื่อมแล้วในอดีตแล้วดับไปแล้วในอดีตรูรปที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็กําลังเสื่อมอยู่ในปัจจุบันและจะดับไปในอนาคตรูรปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกัน แล้วก็จริงแล้วเมื่อมองลึกซึ้งลงไปก็จะพบความจริงว่าไม่มีอะไรที่สวยงามจริงๆมีลักษณะเป็นการห่อหุ้มกันเอาไว้อย่างที่ทรงยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหมือนกับเอากระดูกประมาณเกือบสามร้อยท่อนมาต่อกันเท้า แล้วมัดกันไว้ด้วยเส้นเอ็นทั้งหลายแล้วหล่อเลี้ยงไว้ด้วยเส้นเลือดแต่หุ้มห่อไว้ด้วยผิวหนังมันก็คล้าย ก, กับพวกขุนพวกอะไรที่เขาทํากันือเครื่องชายต่างๆที่มีการจัดมีการทําเราจะเห็นว่าเป็นพวกรูปกระดานเช่นเดียวกันมันก็มีลักษณะอย่างนั้น บางทีเพียงเปิเดฝาออกไปหน่อยเดียวมันก็เห็นโครงสร้างยงใหญ่ที่กลายเป็นรูป น, นั้นๆขึ้นมาการฝึกเตือสั่งสอนในลักษณะนี้เพ่ต้องการให้เห็นความจริงที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นจิตใจจะไม่แกวงไปแกวงมาด้วยอำนาจความรักความชังความยินดีความยินร้ายอย่างน้อยก็มากเกินไป เครู้เห็นตามความเป็นจริงซะบ้างในจุดที่เราเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็บรรเทาความโศกเศร้าเสียใจความขับแค้นความยินดียินร้ายลงไปบ้าเมื่อกำลังของเหตุผลของสติสัมปชัญญะมีมากขึ้นข้อคายที่จะเรียนรู้ที่จะรับรู้ที่จะรู้เท่าทันมันก็เพิ่มขึ้น จะน้อ ย, อยกไ็ได้สิ่งที่เรียกอัาสาธะคือความยินดีในขณะนั้นการสงบใจจากอารมณ์หลดนั้นในขณะนั้นไม่ต้องเอาอะไรมากแม้แต่มองว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นเองหรือมองว่าเป็นอย่างนั้นเองหรือมองว่าเป็นธรรมดาหรือมองว่าไม่เที่ยง หรือมองว่าไม่แน่หรือมองอะไรให้ได้สักคำานั่งจจับให้ได้สักคำโดยความคิดในลักษณะที่เล็งผลเลิกเป็นการฝืนความจริงของสิ่งต่างๆมันก็จะบันเทาเบะบางลงไปเหตุผลสติสัมปชัญญะก็เข้ามาแทนที่เป็นการครองชีวิตโดยปัญญาครองชีวิตอย่างมีเหตุมีผล การมองจิตวิปลาดอีกสายหนึ่งก็คือมองสิ่งที่เป็นทุกขว่าเป็นสุขที่จริงร่างกายของบุคคลเหล่านั้นท่านเรียกว่าอุปาทานขันเยอะอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขะขันประกองของทุกเป็นที่ประชุมรวมกันของของทุกทั้งหลาย แต่ปัญหาที่เกิดความสับสนในด้านความคิดก็อยู่ที่นิยามความหมายก็คําว่าทุกข์คือสามัญชนทั่วไปจะมองความทุกข์ในแง่ของทุกขเวทนาคือถ้าไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นทุกข์แต่อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรป็นในแง่ของพระศาสนาแล้วแม้แต่สุขที่เป็นโลกิยะก็ไม่มีมันเป็นเรื่องสมมติเอาแต่ น, นั้นเอง สิ่งที่เราเรียกว่าสุขในชั้นของชีวิตจึงเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ลดลงคล้ายๆกับความเย็นความหนาวที่ปรากฏในชีวิตมันเป็นเรื่องของความร้อนที่ลดลงและบางคงอยู่ในสภาพเดิมของมันคือแต่ละอย่างนั้นที่มาประกอบกันข้าจะเป็นเวทนาจะเป็นรูปจะเป็นสัญญาก็ตามมาเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยขาดไปอย่างเดียวมันก็ไม่เกิด เช่นสมมุติว่าเรไปกระทบอะไรเข้าประสาทสัมผัสส่วนนั้นเกิดบกพร่องไปเกิดเป็นเน็บเป็นชาไปมันก็ไม่รู้แล้วหรือว่าตาเกิดบอดไปเวทนาทีอา่อาศัยรูปที่เรียกว่าจากักรูปสัมผัสสช า, วาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นไปจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยมันก็ไม่เกิดแล้วคือเหตุปัจจัยที่ให้เกิด ต้องมีอยู่ถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นตอนของสิ่งตนน่างๆหลังการที่สิ่งทังางยเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในความหมายของพุทธศาสนาก็หมายถึงความบาทุกข์ทำให้เรามองเห็นว่าแม้ความสุขที่เป็นโลกิยะทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหมือนกันมันก็อยู่ในกลุ่มของความทุกข์ ก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยประการที่สองก็คือจะเป็นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีแต่เพราะที่กล่าวมาแล้วไม่มีอะไรที่อยู่อย่างคงที่มันเริ่มไหลเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปประขันของเราปาะสาชนอาจจะไม่ลองสังเกตดูหรือเราอาจจะไม่เคยสังเกตดูว่าไอ้ตัวรูปประคันคือรูปร่างกายของเราที่เราต้องการปรารถนาเป็นความต้องการปรารถนาที่บางทีมันก็ขัดแย้งกันในตัวเองเช็นอายุวนโนตุขังพลัง อายุก็ขอให้มีอายุยืนวรรณะก็มีผิวพรรณพวกเขมีผิวพรรณผ่องใสมีปกคล้องมากสุขะก็มีสุขกายสุขใจภาระก็มีกำลังกายกำลังใจเราลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือในเมื่อคนอายุยืนมากแล้วจะมีเรี่ยวแรงมากด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แล้ววันน้าเป่งปังผ่องใสมีน้ํามีนวลอันนี้อาจจะเป็นได้แต่ก็เป็นความผ่องใสในแง่ของก่อให้เกิดความสงบความศรัท ธ, ธาความเยืเกเจ็นแต่ไม่ใช่เป็นความผ่องใสที่เป็นแนวก่อให้เกิดกวามความกำลัง ค, ความพอใจรละควา ย, ยินดีแบบวิสัยโลก เพราสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ทาให้เกิดขึ้นได้คือตัวความสุขอายุมากแล้วก็มีความสุขคือทายัางไงจะให้เกิดความสุขเพราะความสุขก็เป็นจุดสุดยอดของผลที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาถ้ากำลังสุขความสุขเกิดขึ้นสแสดงกำลังใจก็ดีขึ้น แต่ว่าสิ่งทั้งหมดเขาก็จริงแล้วไม่มีอะไรคงอยู่ในสภาพเดิมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจนถึงโรกล่าวเลยว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดรพยาที่ทรงสอนให้บุคคลนิ้คิดว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยง แต่ความตายนั้นเที่ยงหมายความว่าตายแน่แต่ตายเมื่อไรไม่รู้ส่วนชีวิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจึงไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนในแง่ความทุกข์นักคนมามองในแนวของการถูกแผดเผาโวยเหตุปัจจัยภายนอกบ้าง้วยเหตุปัจจัยภายในบ้าง กลายเป็นทุกขเวทนาในลักษณะต่างๆเรามักจะมองเฉพาะจุดนี้แต่จริงมันก็ถูกต้องเพียง25เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วส่งแสดงลักษณะไว้เป็ น, นียรนมากอย่างความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นก็ถือว่าทุกอย่างหนึ่งการเกิดขึ้นมันจะกเหตุปัจจัยก็ถือว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งแล้วความที่ราบร้อน ก็เป็นอาการที่ชาว บ, บ้านเองก็รับรู้กันว่าเป็นทุกข์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่พรทนกันอยู่ได้แล้วก็ชอบใจหรือพอใจที่จะทนนั้นเพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเปลี่ยนแปลงเรียบทะนั่งนานก็เปลี่ยนเรียบทเป็นยืนเป็นเดิ น, เ ป, นเป็นนั่งท่าอื่นเสียอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันก็พออยู่กันไปได้ ก็ก่อให้เกิดการยุติทั้งคำสอนในเรื่องนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นลักษณะของวิปัสสนาปัญญาให้ดูความอาการของสิ่งเหล่านั้นเพ่งดูที่ตัวอาการของเขาเพ่งดูที่ตัวรูปเพ่งดูที่ตัวเวทนาเพ่งดูที่ตัวสัญญาแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาอาการที่แท้จริงของเขานั้นจะปรากฏให้เห็น แต่การมองอะไรให้เห็นชัดเจนนั้นจะต้องใช้ปัญญาเพ่งปีนิพพิจารณาและมองอย่างสงบในท่ามกลางความสงบจึงเ ร, เราจึงได้รับความสุขใจแต่ในสถานที่ทั่วไปจะมักจะเป็นสุขย้อมสีหรือไม่อย่างนั้นก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นไม่ท่องแท้เพราะใจถูกแบ่งแยกไปในเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเรื่องโน้นบาง ความเห็นที่วิปลาสระการต่อไปก็คือเป็นการมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช้ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเช่ว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปอะไรเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเพราะเราจะเดือดร้อนเมื่อประสบกับทุกขเวทนาโดยเอาเรากับเวทนานั้นเปน็นอันเดียวกันไปเกี่ยวข้องกันเวทนาเป็นของเรา เราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีอยู่ในเวทนาให้เราสังเกตเราถ้าจิตไม่ไปเกาะในสี่ลักษณะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งความยินดีความยินร้ายความสุขความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้แก่คนทั้งหลายในโลกนั้นมยว่ากี่พันคนกี่หมื่นกี่แสนคน แต่ใจเราไม่ไปเกาะกับเราให้ไปเกี่ยวข้องกับเราหรือพายุไซโคลนที่เกิดขึ้นที่บางกลาเทศเอาคนตายไปทั้งแสนคนยาติพี่น้องเขากำลังร้องผมร้องให้เสียสใจกันอยู่ยังไม่ ส, สั่งซาแต่เราเองฟังข่าวแล้วก็รู้สึกสงสาร ค, คิดที่จะช่วยบางคนก็อาจจะ ร่วมบริจาคอะไรลงไปบางคนก็ไม่อยู่ในวิสัยทําได้ก็แผ่ได้เมตตาแต่นั้นเองในใจมันก็ดับไปจากเรื่องเหล่านั้นเพราะจริงๆส่วนลึกๆแล้วใจไม่ได้พิเกี่ยวเกวาะบางคนเหล่านั้นเป็นเราเราเป็นคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นมีอยู่ในเราเรามีอยู่ในคนเหล่านั้นคือไม่ได้เอาไปเกี่ย ว, ข, ข, วข้องบูกพันธ์ขังเข้าการเกี่ยวข้องบูกพัน์นั้นคือใจเอาไปเกี่ยวข้องผูกพันธ์ ก็ให้เกิดความยึดมั่นหรือมันม่นขึ้นมาดูตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราเดินไปซื้อของในตลาดลของมีอยู่เป็นจำนวนมากคนนน้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อคนนั้นก็จิบคนนั้นก็ช่วยไปเราก็มองโดยธรรมดาๆรรแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านค้าเองเรจะมองด้วยความดีใจ แต่เราเป็นผู้ซื้อด้วยกันก็มองธรรมดาธรรมดาอาจจะหมายตาสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเอาไว้แล้วพอดีคนมาซื้อตัดหน้าไปรู้สึกเสีย ด, ดายไม่ถึงก็โกรธก็เสียดายแต่ถ้าไปปักใจตกลงใจว่าเราจะซื้อชิ้นนี้แล้วแล้วก็ตกลงกับเจ้าของร้านแล้วตอนนั้นถ้าใครหยิบแล้วจะเกิดโกรธเราแม้เราจะยังไม่จ่ายสตางค์ก็ตา เพราะอะใจมันถึงก่อนนะไปผูกพันธุ์เยื่อใยสินเนหาเอาไว้ด้วยความเป็นของเรายิงใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วก็จะไปกันใหญ่ผนใจจึงไปดึงสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวเกาะกับเราที่ต้องใชา้าำว่าอัตตานิยาคือให้มาเกี่ยวข้องกับตนที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ใจเราไปดึงมาให้เกี่ยวข้องมันก็เกิดรู้สึกเกี่ยวข้องเกิดมาถ้าดึงไม้เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นหรแม้แต่ตัวอย่างเช่นสมมติรถติดอยู่ตามท้องถนนเราจะรู้สึกกัมวลหงุดหงิดรำคาญเดือดร้อนดุระการต่างๆแล้วก็ตำหนิไปถึงคนที่รับผิดชอบ เรื่องถนนลุ้นทางหรือเรื่องการจรา จ, จรการบริหารบ้านเมืองก็ว่ากันไปทําไมไปเดือดร้อนออกมากเพราะว่าบ้านเมืองของเราเราก็เป็นหนึ่งในบ้านเมืองนี้มีความเกี่ยวข้องบุกพันยงใหญ่กันจนไม่อาจแยกได้แม้ไปอยู่ในประเทศอื่นไปเจอรถติดในประเทศอื่นแต่เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันไม่ใช่ประเทศของเรา แต่ตรบถ้าได้ข่าวในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจนี่จะเห็นได้ว่าใจเป็นตัวเอื้อมเป็นตัวจับมาแล้วก็มาปลูกมัดเอาวไว้ก็กลายเป็นตนเป็นของที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนในความรู้สึกนึกคิดทางที่ในแง่ของความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้เป็นทั้งตนทั้งของที่เเนื่องด้วยตน เพียงแต่ว่าในชั้นของโลกกสมมุติโลกกสัญญาคนเราก็ทรงสอนให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ต่อกันแต่หน้าที่เหล่านั้นขึ้นอยู่กับจุดสัมผัสในแต่ละขณะบางครั้งก็ไม่ได้หมากไม้ไม่ได้นานอะไรเพียงแต่ว่าในขณะนั้นจะทำยังไงจึงจะปฏิบัติให้ถูกต้องเลยแล้วก็เลยไปก็จบ แต่ว่าในาขณะเดียวกันความจริงที่แท้จริงนั้นเราต้องรับรู้ออกไปแต่ใจไม่ยอมรับรู้ใจปฏิเสธแล้วจะเดือดร้อนเพราะเรื่องเราเองเรื่องจะเดือดร้อนเพราะคำร่าของเราอย่างที่ตัานแสดงไยว่ามนุษย์เรานั้นเหมือนกับ น, นกช น, นิดหนึ่งชื่อไมหะกะ แรรยกามันร้องก็ไม่หังไม่หังแปลว่าของเราของเ ร, า ข, งเร า, าของเราหรือถ้าข้องเรายิ่งมากเท่าไหร่นั้นความเดือดร้อนก็จะมากเท่านั้นไปจับที่ไหนก็ของเราจับที่ไหนของเร า, เราแล้วก็บินไปเรื่อยๆม้นก็ยืนยันกันอยู่ในทีว่าไม่ใช่ของเขาเผ่ถ้าของเขาเขาก็ต้องไม่ทิ้งไป แต่นกนั้นมันเพียงแต่ร้องมันทำเพียงแต่ร้องอย่างเดียวใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างนั้นมันก็บินไปเรื่อยมันก็ร้องมันอย่างนั้นเองแต่มันก็อาจจะไม่รู้ความหมายแต่เรามาตีความหมายเอาราฉบางครั้งเราพบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาการใช้ชีวิตแบบนกคือเหยียบแล้วไม่ทิ้งรอยไป ไปในอากาศไม่รู้ทางเดินของนกคือไม่ทิ้งร่องรอยว่า น, นกมันบินไปทางไหนถ้าบินเลยไปแล้วเราก็รู้ไม่ได้ว่า น, นกมันบินทางไหนไม่ทิ้งรอยเอาไว้แสดงถึงสภาพจิตของพระราหันซึ่งทำคล้ายๆกับนกแม้ความไปเกี่ยวข้องไปรู้จักพักพุนไปเที่ยวบินธบัตไปอะไรก็ตามกับใครที่ไหนก็ได้ มันก็จบก็จบคือใจไม่คล่องไม่คล่องไม่ยดึดไม่ติดไม่ผูกพันไม่เยื่อใยมิสิเนหามิอ่าลัยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจกิดเป็นคุณลักษณะเด่นที่ท่านเรียกกุเลสุอนานุกิโตคือการไม่เกี่ยวข้องผูกพันในสกุลทั้งหลายเพราะอะไรเพราะรู้เห็นตามความจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องเหล่านี้ บางทีเราก็รู้นะฮะแต่ว่าใจมันไม่ยอมอนะไรทังนั้นจนว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือไม่อยู่ในอำนาจของเราเสมอไปแม้แต่วัยวะร่างกายมือเท้าของเราก็บางครงั้งบางคราวก็สั่งอะไรแก่ไม่ได้แต่คนก็ยังดินรนที่จะเป็นเจ้าเข้าวจบของที่จะสั่งที่จะบงการที่จะบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการในจุมก็ดกเดือดเดือดร้อนเมืม่อไ ม, ม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตนตั้งใจเอาไว้ประการที่สองก็คือตรงกันข้ามกับสภาวะที่เรียกว่าเป็นอัตตาตัวตนซึ่งเฉียงแท้แน่นอนยินโรงตามความเชื่อถือของพระธศาสนาเทวนิยมทั้งหลายคืขขอความเชื่อถือในลักษณะ น, น, นี้ให้ลองสังเกตว่าเพราะจิตเรามันมีภาวะตัณหา คือมันอยากเป็นอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีเหลือเกินแล้วเป็นสุขอยู่ชั่วนิรันดรไม่มีการแปรผันไปอย่างอื่นคือคนเหล่านี้เขาจะไม่คิดตั้งคาถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรจะมีการพูดถึงพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่อายตนะนิพพานเป็นสุขชั่วนิรันดรแล้วก็ไปเฝ้ากันได้ ไปตวายบินนาบาตได้ยิ่งตลกกันใหญ่พวกเทวดายัางกินอาหารทิพรปพุทุเจ้าอยู่ในอายาตนานิพพานยังต้องกินน้าพริกราทูคือเป็นเรื่องที่ตลกแล้วเราก็ไม่คิดว่าไปอยู่เป็นทำอะไรเพราะชีวิตของคนอย่างนั้นชีวิตของคนที่มีปัญญามีความมีสุดมีความเมตตากรุณานเขาจะไม่อยู่เฉย ในขณะที่ชาวโลกกำลังประสบความทุกขนั้นท่านเหล่านี้จะไม่อยู่เฉยๆเขาจะได้ดนผลขวายเพื่อจะช่วยชาวโลกตอนนั้นภาวะเหล่านั้นที่เชื่อถือกันว่ามีนั้นหมายความเราเองก็อยากจะเป็น่แต่เราไม่คิกว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นว่ามีอยู่นั้นทําประโยชน์อะไรให้แก่โลกบ้าง อย่างผู้สร้างพระพรหมพระเจ้าอะไรที่ว่ากันเน่ยช่วยอะไรโลกบ้างในขณะที่ชาวโลกเดือดร้อนกันอยู่มากมายคนเหล่า น, นั้นอยู่ตรงไหนถ้าว่ามากด้วยกรุณาจริงๆทีนี้สมมติวสภาวะเหล่านั้นมีอยู่จริงๆแล้วเราก็เกิดไปเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอย่างนงั้นคือไปนั่งเฉยอยู่นั้นชั่วกับช่วกันช่ว ย, วยนิยนรันดร ใครจะเดือดร้อนอะไรฉันไม่เกี่ยวเรามองภาพแค่ๆมาเราก็เห็นได้เช่นว่าพ่อแม่อยู่บนบ้านฝนตกข้างนอกลูกเดินมากอล้มร้องไห้จ้าแม่กลัวจะเปียกฝนนั่งเฉยแล้วนอ้นองลองนึกดูภาพว่าแม่อย่างนั้นน่านับถือเลย เพรสิ่งที่เป็นความเชื่อถือโดยอำนาจของภาวะตันหาหรือหมายความมาจริงๆตัวเองอยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากจะเป็นด้วยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างแท้จริงการเป็นเจ้าเข้าครอบครองสิ่งทั้งหลายนั้นที่จริงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านมาอีกทีก็ได้แล้วก็ผ่านไปแต่ในที่สุดมันก็ต้องจาก มีจุดเจอมีจุดจกมีจุดจากไม่มีการอยู่ร่วมกันช่วนิรันดร์ความการสมมติบัญญตัติคือช่วงสมมติบัญญัติที่เราจะต้องปฏิบัติได้หมอให้ควรแก่สิ่งเหล่านั้นจะ ต, ต้องเตรียมกายเตรียมใจรับรู้เอาไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่กับเราช่วนิรันดร์หรือว่าอยู่กับเราตลอดไป แตวการต่อไปพอย่อยออกไปมันก็สูญมันไม่มีอะไรอย่างรูปของเราพอย่อยออกไปเนี่ยมันไปดูอะไรก็ได้นะคือเราทําครัวอยู่ที่บ้านทาอะไรที่บ้านบางทีมันต้องเกี่ยวกับสัตว์กั็เนื้อสัตว์แล้วก็ปลาอะไรลองย่อยดูอะไมันไม่มีอะไรหรือไปต้มข้าวก็ไม่มีอะไร เดี๋ยวไปดูก็จำแหล่สัตว์เเนื้อสัตว์ที่เขาขายอยู่ตามร้านมันก็มีลักษณะอย่างกันก่อนเป็นโคเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรเป็นไตัวเป็นตนไปย่อยๆไปถึงจุดหนึ่งมันมันก็หมดความเป็นโคเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่ก็เพียงสัตว์แต่ว่าธาตานั้นเองอย่างที่องศสอนให้พิจารณานิสสัตโตนิชวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะ แล้วก็สุนโดคือว่างจากตัวจากตนจากเราจากเขาแต่ประการที่สำคัญหนึ่งยิ่งที่มันยุ่งมากๆนะคือไปกำหนดว่าสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นของที่สวยงามมันเราจะเห็นว่าในกายานุปัสสนาสถิตฐานนั่นเองก็ทรงเน้นเรื่องรูปไว้ด้วยขั้นตอนต่างๆเป็นนั้นมากเพราะโลกหรือมันบุ้นๆเนี่ยมันยุ่งเรื่องรูป ที่เรีย ก, ร, ย ก, ร, ยกรวมรวัตถุกาศยุ่งกันมากพุ่นวายกันมากเข็นค่ากันมากทำลายล้างกันมากจนกลายเป็นหมหาหยุดสงครามขึ้นมามันก็เรื่องรูปแย่งรูปกันแย่งเพื่อจะทิ้งนะฮะไม่จะแย่งเพื่อจะครอบครองเพระาะในที่สุดมันต้องจากกันนั้นคือภาพของชีวิตที่เป็นจริง อย่าน้อยก็ส่งสอนให้บุคคลได้คิดตามนึกตามเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะดูรูปดูเวทนาดูสัญญาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นหรือเกิดขึ้นแก่เราก็ตามเราพยายามที่จะเจาะให้เข้าถึงความจริงเพราะไม่มีสังขารอะไรเที่ยงแท้ไม่มีสังขารอะไรที่เป็นสุขไม่มีสังขารอะไรที่เป็นตัวเป็นตนเราไม่มีสังขารอะไรที่ชื่อว่าสวยงามอย่างแท้จริง ้วยความรู้ท่าทางทำความเป็นจริงนั่นเองจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดต่อเทนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป